มูลที่14จเจริญสุขท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาถึงบทเรียนพระประถมสมโพธิกถาในปริเขตที่26ซึ่งได้กล่าวครั้งไว้ในครั้งก่อนองสุเนระสมมาสมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงประทานพระโอวาท แก่พระอานน์ให้ภิกษุพุให้ภิกษุและพร้อมด้วยพุทธบริษัททั้งหลายถือธรรมะละวินัยที่พระองค์ได้ทรงสดแสดงไว้ได้ทรงบัญญัติไว้ให้เป็นพระบรมศาสดาในเมื่อพระองค์นั้นได้ล่วงลับไปแล้วและก็ทรงให้ตรัสให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเรียกร้องกันด้วยค่อยคําที่เคารพ เช่นผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยก็ให้ใช้คําว่าอาวุโสส่วนผู้น้อยเรียกว่าผู้ใหญ่ก็ให้ใช้คําว่าพันเตงแล้วก็ตราสสั่งว่าเมื่อสถาคตล่วงลับไปแล้วนั้นสงจะถอนสีขาบทเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเสียบ้างก็ได้และพระองค์ก็จึงได้ให้โอกาสแก่พิสุสง์ทั้งหลายที่จะได้ถามถึงความข้องใจในเรื่อง เกี่ยวกับพระพุทธธรรมประสงค์และมักข้อปฏิบัติตามที่ตนเองสงสัยแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีพิสุรูปใดเลยได้กล่าวทูลถามองค์สมเด็จพระสัสมสมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้ตัดว่าการที่ไม่มีพิสุผู้ใดทรงทูลถามนั้นก็แสดงถึงว่าพิสุทั้งหลายได้เข้าใจแจ่มชัดในเรื่องพระธรรมวินัยดีแล้ว ดังนั้นพระองค์ก็จึงได้ประทานพระโอวาทที่เรียกว่าปัชิมโอวาทหรือปัชิมพุทธพจศวัดดูกระพิสุทิ์ทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายนั้นจมมเพนเพียนด้ว ย, ยความไม่ประมาทเถิดจากนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงอ่า บรรทมเงียบเลยโดยหุบพระโอษมิได้กล่าวอะไรต่อไปอีกพระองค์ก็เริ่มเสด็จเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจจตุทะฌานเป็นลำดับไปแล้วเมื่อออกจากเจตุทะฌานแล้วพระองค์ก็ได้เข้าอากาสารนันจายตนะ วิญญาณัญจายตนะอากิจัญญาจตนะและเนวสัญญาณาสัญญาจตนะเมื่อออกจากสัญญาเนวสัญญาณาสัญญาจิตนะแล้วพระองค์ก็ทรงเข้าสัญญาเวทียตานิโรธโดยลําดับเรียกว่าตามดับไปเมื่อองค์ทุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ได้เข้าสัญญาสัญญาเวทียตานิโรธท่านนั้นท่านพระอนอนท์ก็จึงได้ทูลถาม อาจจึงได้ถามแก่ท่านพระอนุรุทธเถลาจารย์ว่าบัดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านั้นปรินิพานหรือยังท่านพระอนุลุทธเถราจารย์นั้นก็จึงได้กล่าวตอบว่ายัางบัดนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเข้าสัญญาเวทีอิตานิโรธอยู่เหตุได้ท่านพระอนุลุทธจารย์จึงได้ทราบก็เพราะเหตุที่ว่าท่านอนุรุทธาจารย์นี้มีความประสงค์ ที่จะทราบว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานในตอนไหนดังนั้นท่านก็จึงได้เข้าสมาบัตินี้ติดตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆขณะเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกจากสัญญาเวทีตานิโรธแล้วพระองค์ก็ทรงอทรงเสด็จเข้าสมาบัตถอยหลัง คือเข้าเนวสัญญานาสัญญาจตนะออกจากเนวสัญญาณาสัญญาจตนะก็เข้าอากินอากินจัญญายตนะถอยลำดับกลับมาจนกระทั่งถึงเข้าปฐมฌานที่ว่าจัดเป็นอนุโลมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุเทธเจ้านั้นทรงกระทาทรงเข้าสมมาบัตเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งการที่จะเสะด็จดับขันธปรินิพานนั้น กลับไปกลับมาทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมนี้เป็นประมาณหลายร้อยหลายพันหลายแสนเที่ยวเมื่อความชำนาญ น, นั้นจนกระทั่งในวาระสุดท้ายนั้นเมื่อพระองค์ได้ถอยกลับจากสัญญาเวทยิตานิโรธมาจนกระทั่งถึงปฐมฌานเมื่อออกจากปฐมฌานแล้ว พระองค์ก็ทรงเข้าทุติยฌานเมื่อทรงออกจากทุติยฌานก็ทรงเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วก็เข้าจาจตุทิยฌานเมื่อออกตติยฌานแล้วยังมีทันที่จะเข้าอากาสนาจาอากาสานัญจายตนะฌานพระองค์ก็เสด็จปรินิพานในลำดับนั่นเอง ณเวลาปัจฉิมยามแห่งวันเพน็ญเดือนหกในขณะนั้นเองก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ ม, มากมายหลายประการมีแผ่น ด, ดินไหวและทองมหาสมบุรก็เป็น์ละคะนองด้วยคลื่นเป็นต้นเพื่อเป็นการไว้อะไรต่อการที่เสด็จ ดับขันทปริพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอันว่าในปริเฉตที่ยี่สิบหกก็จบเพียงแค่นี้อันดับตอนนี้ไปก็จะได้บรรยายถึงปริเชตที่ยี่สิบเจ็ดในปริเชตที่ยี่สิบเจดนี้ว่าด้วยธาตุวิพพัชชนะปริวัติว่าถึงตอนการแบ่ง พระบรมสารีริกธาตุด้วยที่โทนพรามนั้นเป็นผู้แบ่งแดบ่บรรดาพวกกษัตริย์ทั้งหลายในขณะนั้นเองเมื่อองค์สุเรตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานนั้ น, บ, นบรรดาพุทธบริษัททั้งปวงต่างก็เศร้าโศกโสกาลำพัน ที่ไหลมีประกาศต่างๆเป็นที่น่าสลดสังเวชยิ่งนะมหาชนเป็นอันมากแม้จะอยู่ห่างไกลพอได้ทราบข่า ว, าวก็ต่างก็ได้ถือดอกไม้ของหอมนาน า, นานชนิดพากันมาบูชาพระบรมศพในค่าคืนแห่งปริวิพานนั่นเองก็มีผู้แสดงความสังเวชสรดใจด้วยกันที่กล่าออกมานั้นด้วยกันสีท่าน ือเครือหนึ่งเท้าสหมบดีมหาพลมเท้าสกเทวราชพระอนุรุธทธเถระและพระอนนเทเถระในกล่าวธรรมสังเวชพระสงฆ์ทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนพร้อมโดยประชาชนทั้งหลายก็มีความเศร้าโศกอะไรถึงพระพุทธองค์เป็นมากพระอนุรุธทธเถระก็ได้สแสดงธรรมระงับความโศก ของสงและประชาชนเหล่านั้นพวกมลกรัตรทั้งหลายก็ได้ทำการบูชาพระบรมศพด้วยเครื่องสการบูชาอันประณีตและสวยงามยิ่งจัดการบูชาที่สารวันสารวนโนทยานั่นเองเป็นเวลาด้วยกันถึงหกวันขั้นถึงในวันที่เจ็ดนั้นพอถึงในวันที่เจ็ด พวกมกรรคกษัตริย์ทั้งหลายก็ปรึกษาพร้อมใจกันว่าจะอัญเชิญพระบรมศพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไปโดยประตูแห่งพระนครพระนครด้านทักษิณเพื่อที่จะถาวายพระเพลิงภายนอกพระนครดังนั้นมนลรลคกษัตริย์แต่ท่านเด็กกันก็จึงได้เข้าไปเพื่อจะอัญเชิญพระบรมศพ แต่ก็ไม่สามารถที่จะเอเชิญให้ขยับเขยื้อนได้จึงได้เรียนถามท่านพระอนุรทธะว่าการที่พระโบลุศบนั้นไม่ขยับเขยื่อนนั้นเป็นเพราะเหตุอันใดท่านพระเถระก็จึงได้ถวายคำวิสัญญาว่าเพราะว่าไม่ต้องประสงค์ของพวกเทวดามันริย์ก็าจึงได้ ภูมิาเป็นจึงได้ถามท่านพระเถระว่าแล้วเทวดานั้นมีพระประสงค์อย่างไรท่านพระเถระก็จึงได้ถวายวิสัญญาว่าเทวดาทั้งทุกๆพระองค์นั้นมีพระประสงค์ที่จะให้อเชิญพระพุทธเสลีละนี่เข้าไปในภายพระนครก่อนเข้าไปในพระนครก่อนโดยทางทิศอุดรแล้วก็ให้เชิญพระบรมศพนี้ไปในถ้ากลางพระนคร แห่ไปโดยรอบเพื่อให้เป็นที่สาการะบูชาของประชาชนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็อันเชิญพระบรมศพนั้นออกโดยทา ง, ทางประตูทิศบุรพาแล้วก็อันเชิญไปประดิษฐานถวายพระเพลิงที่มกุดพันธนะเจดีพวกมัรละศาสตร์ได้ทราบเทลอธิบายเช่นนั้นแล้วก็จึงได้ผ่อนตาม จึงได้สามารถอัญเชิญพระบรมศพจากสถานที่นั้นไปได้อย่างง่ายดายประชาชนทั่วหน้าก็จึงได้พากันสักการะบูชาทั่วทุกสถานตลอดทางที่พระบรมศพผ่านไปในขณะนั้นนางมารีกาได้ทราบว่าขาบวนพระศพจะได้ผ่านมาก็ดีใจจิงดำลิขึ้นว่านับตั้งแต่ พันธุระสามีของตนเองนั้นล่วงลับไปแล้วเครื่องประดับอันนี้ชื่อว่ามะหรดานประสาทมหารดานประสาทเราก็ไม่ได้ตกแต่งอีกเลยคงเก็บไว้เฉยๆเป็นอันดีเราควรที่จะถวายอาพรประดับอันนี้แก่พระพุทธสลีละของพระชินสีในอวสานการปัจจุบันนี้เถิด เหตุไรหรือนางมาริกานี้จึงได้เสียสละมโหาดานประสาทซึ่งมหาดานประสาทนี้ตามประวัติแล้วมีหญิงที่จะได้ประดับเพียงสามคนเท่านั้นก็คือพนางมาริกานางมิสาขาแล้วก็ลูกสาวของเศรษฐีอีกคนอีผู้หนึ่งที่มีบุญที่จะได้ประดับมโหาดานประสาทมหาดานประสาทเทนั้น นอกนั้นแล้วผู้หญิงอหญิงที่ในโลกนี้ไม่มีใครที่จะได้เครื่องประดับเช่นนี้ซึ่งเครื่องประดับเหล่านี้มีค่ามากแต่นางมริกานี้ได้สะได้สละเสียได้พก็เป็นผู้เหตุิว่าดได้ระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งเมื่อครั้งหนึ่งตอนที่ตนเองนั้นได้อยู่ที่ เมืองสาวถีซึ่งพันธุระเสนาบดีอ่าพันธุระผู้สามีได้เป็นเสนาฮอดีอ่าเสนาบดีของพระเจ้าประเศนสนัติโกสลในขณะนั้นเองนางมาริกานี้ไม่สามารถที่จะมีบุตรได้พันธุระเสนาบดีก็จึงบอกให้นางกลับไปย่างตะกูลเดิมของตัวเองโดยตนเองนั้นต้องการที่จะมี พระชายาใหม่เพื่อที่จะได้มีบุตรสืบตระกูลต่อไปพระนามาลิการนี้ก็จึงได้ไปกราบทูลลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหารเพราะเหตุที่พระนางนั้นเป็นผู้นับถือในพุทธศาสนาเป็นอุบาสิกาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเธอจะกลับไปยัางตะโกนเดิมของเธอนั้นเพราะเหตุอันใดนามาลิกาก็จึงได้กราบทูลเนื้อความตาม ที่ได้กล่าวแล้วว่าตนเองไม่สามารถที่จะมีบุตรได้สามีของตนเองก็จึงให้กลับพระนางมารีกานั้นอพระพุทธองค์สมเด็จสมัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็จึงได้ตรัสว่าถ้าจะกลับเพราะเหตุนั้นไม่ต้องกลับนางมารีกาดีใจเป็นอย่างมากได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้คําประกันก็จึงได้กลับ มาบอกแกพันธุระเสนาบดีอันธุระเสนาบดีก็จึงเดตดํามฤขึ้นว่าการที่องค์ ส, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตัดเช่นนี้ก็แสดงว่าพระนางมริกานี้จะมีบุตรต่อไปต่อมาภายหลังพระนังมริกานี้ก็จึงได้สามารถที่มีบุตรได้ด้วยเมื่อระลึกถึงพระคุณอันนี้แหละพะนางมริกานี้ก็คิดที่จะบูชาพระสลีและศพ อ ง, องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยมหาลดาปราศาสตเป็นครั้งสุดท้ายดังนั้นเมื่อขบวนพระบรมศพผ่านมานางจิงแจ้งความประสงค์นั้นให้ทราบเมื่อเขาวางเตียงประดิษฐานพระบรมศพลงแล้วพระนางก็จึงได้อธิวาฒนแล้วเชิญเครื่องมหาลดาปราศาทคลุมพระบรมศพตั้งแต่พระยุคนบารจดพระเศียร เป็นเครื่องบูชาปรากฏว่าพระสรพะัพพะผู้พุทธสรีละขององค์สุเดะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ถูกคลุมด้วยเครื่องมหาดานประสาทนั้นปรากฏว่ามีผิวพันธ์ที่จเจริญตาจเจริญใจยิ่งนะักขั้นเมื่อมหาชนอันเชิญพระบุรมษมศไปทั่วพนครแล้วก็จึงได้อันเชิญออกจากพนครโดยทางประตู ด้านบุรพาทิศไปสู่มะกุูดพันธนะเจดีซึ่งเป็นที่กระทำให้เป็นกิตกาทานซึ่งกิตกาทานนั้นหรือเรียกว่าเชิงตะกอนนั้นทาอันเลื่อนไปแล้วด้วยไม้จันหอมทั้งหมดโดยไม่มีไม้อื่นนั้นโดยไม่มีม้อื่นนั้นเจือปนซึ่งนับว่างาวมีจิตมาก ที่ได้จัดทําไว้แล้วเมกุพันน์ะมกุตพันธนะเจดีนี้เมกุตพันธนะเจดีนี้เป็นสถานที่ที่สวมมกุตของของชาวมรละกษัตริย์คือว่าเป็นสถานที่ราชาพิเศษแต่ว่าในครั้งนี้ ตามความประสงค์ของทวยเทพเทวดา น, นั้นต้องการให้เป็นจิตกาทานอันจะถวายพระเพลิงขององค์สุเจพระสั ม, มาสัมพุธิเจา้าเมื่อได้นำพระบรมศพไปอย่างที่จิตกาทานที่มกุฏพันธนจะดีแล้วมันลกษัตริย์ทั้งหลายก็จึงได้จัดแจงห่อพระบรมศพ น, นั้นด้วยผ้าทุกุลพัท ถ, ถึงห้าร้อยชั้น ตามคํากล่าวของท่านพระอนนท์เถระแล้วก็ได้อัญเชิญประิฐานในหีบทองซึ่งเต็มไปได้วยน้ามันหอมตามคําที่พระเถระแจ้งทุกประการขั้นเรียบร้อยแล้วก็จีนอดนเชิญหีบทองนั้นขึ้นปริษถานบนจิตกาฐานกระทาสการะแล้วกษัตริย์ผู้มัลละทั้งสี่องค์ ซึ่งเป็นหัวหน้านั้นก็ได้ชำระกายให้สะอาดสดให้สะอาดแล้วก็แต่งตัวโดยเสื้อผ้าที่สะอาดแล้วก็จึงได้นำเอาเพลิงนั้นเข้าไปทั้งสี่ทิศเพื่อที่จะถวายพระเพลิงแต่ว่าจุดทลายนั้นพระเพลิงก็ไม่ติดเป็นที่หน้ามหัศจรจั์นั้นนักเกิดความสงสัยขึ้นก็จึงได้เรียนถามท่านพระอนุรุตเถระเจ้า พระเถระก็จิงได้กล่าวว่าการที่ไม่สามารถจะถวายผู้เพลิงได้นั้นเพราะเหตุเทวดานั้นต้องการให้คอยท่าพระมหากสปะเถระซึ่งในขณะนี้กำลังเดินทางอยู่เดินทางมาอยู่พวกมันระกษัตริย์ทั้งหลายก็จึงได้อนุวัตตามในเวลานั้นเองท่านพระมหากสปะเถระ อาศัยอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งใกล้เมืองเปาวามีพระพิสุสง์ประมาณห้าร้อยลูกเป็นบริวารในเวลาเช้าวันนั้นได้เข้าไปบิณฑ บ, บาตในเมืองเปาวาฉันอาหารบิณฑ บ, บาตเรียแล้วก็จึงได้พาพระพิสุสง์นั้นมุ่งหน้าไปยังเมืองกุสินลาเพราะเหตุที่วันใดข่าวองค์สุเดชพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นสเสด็จมาที่เมืองกุสินลานั้น ต้องการที่จะไปกราบนมัส ก, การเยี่ยมเพราะเห็นว่าเหตุว่าพระองค์นั้นมีพระชนมายุมากแล้วก็จึงได้พาพระพิสุทธ์ทั้งหลายจากเมืองปาวามุ่งหน้ามาเมืองกุสินาราแต่ในขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงวันแดดแสงแดดก็กล้าพระเถระก็คิดว่าหนทางอยู่อีกไม่ไกลนักแดดยังร้อน จันักก็จึงได้พาพระพิสุสงนั้นเข้าพักที่ล่มไม้แห่งหนึ่งที่ริมทางนั้นพอพระเถระพระ้อมด้วยพิสุทั้งสงทั้งหลายพักอยู่สักคู่หนึ่งก็จึงได้เห็นอาชีวภูตหนึ่งเดินถือดอกมณฑลบกกั้นศรีรษะกันแดดมาตามทางก็จึงได้เกิดชงนใจขึ้นว่าดอกมณฑารลกนี้หามีในมนุษย์โลกไหม เป็นของทิพมีอยู่ในเทวโลกจะตกมาในเฉพาะเวลาอันสำคัญสำคัญเท่านั้นคือในเวลาที่พระโพธิพสัตว์ประทูตัดสรุแสดงธรรมจักร p r o อายุสังขารและปรินิพานหรือว่าบัตินีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงปรินิพานเสร็จแล้ว นึกสงสัยเช่นนี้ก็จึงเดินลุกขึ้นเดินไปเข้าไปถามเข้าไปใกล้กลาอาชีวกพผู้นั้นและจึงถามดูว่าท่านนั้นมาจากไหนอาชีวกพผู้นั้นก็จึงได้ตอบว่ามาจากเมืองกุสินาราท่านพระมหาการสปะจึงได้ถามต่อไปว่าแล้วท่านได้ข่าวพระบรมครูของเราบ้างไหมว่าพระองค์ยังทรงสุขสบายดีหรือ อาชีวะคณ น, นั้นก็จึงได้กล่าวว่าบัดนี้พระบรมครูนั้นปรินิพานเสียแล้วได้เจ็ดวันถึงวันนี้เองและดอกวนทานลบนี้ข้าพเจ้าก็ได้นำมาจากสถานที่ปรินิพานนั้นพวกพิสุทั้งหลายที่ยามเป็นปุถุชนอยู่พอได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็เกิดการโทรมนัดเสียใจเศร้าโศกปริเทวนาการเป็นอย่างมาก ส่วนท่านที่เป็นพระขีนาศกนั้นก็เกิดธรรมสังเวชสลดจิตนั่นในที่กลุ่มของพิสุเหล่านั้นเองมีพิษุอยู่รูปหนึ่งบวชเมื่อภายแก่ชื่อว่าสุพัทธสุพัทธสุพัทธะบันไชิตผู้นี้ก็จึงได้ลุกขึ้นกล่าวห้ามพิสุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ร้องให้หรือว่าได้เศร้าโศกไปเลย บัดนี้เราสบายแล้วเราพุนแล้วจากพระมหาสมณะเมื่อพระองค์ทรงพระชนมายุอยู่นั้นพระองค์นั้นทรงเบียดเบียนเราลึอเกินบังคับห้ามปลามพวกเราต่างๆนา่นนว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรแต่บัดนี้พระองค์ทรงพระนิพพานไปแล้วเราปรารถนาจะทำสิ่งใดก็ทำได้ตามชอบใจ ท่านพระมาหากษัะเถระได้ฟังคํเชะนั้นแล้วก็ทรงสลดใจยิ่งนักว่าโดอเทธิ์พระพุทธองค์นั้นทรงปรินิพานได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นยังเกิดก็เกิดอรชีคิดลามกถึงป่านนี้ต่อไปเบื้องหน้าจะหาผู้ฆรวะในธรรมวินัยไม่ได้เราควรจะทมสังขยา เถระทําไว้ในใจเช่นนั้นแล้วก็กล่าวเล่าโลมพิสุทั้งหลายให้หายเศร้าโศกแล้วก็รีบเดินทางตรงไปที่มกุูดพันธนะเจดีครั้นถึงแล้วก็จินเดชไปถึงที่มกุูดพันธนะเจดีแล้วจินไดชทผ้าดจีวรเฉวียงบัตประคองอันทัอันชดอันทัดอันชลีประทําประทักศิลรอบจิตกาทานสามรอบ แล้วก็เข้าไปสู่ที่เบื้องพยุคนลบบตทน้อมนวัตการพยุคนลบบตทโดยกราบขอขามาโทษต่อองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเธจ้าเมื่อพระมหาเถระพร้อมด้วยพระพิสุสงกราบนวัตการเสร็จแล้ว รากรวเตโชทาตนั้นก็ได้บันดาลเกิดขึ้นที่จิตกาทานขึ้นเองด้วยอนุภาพของเทวดาเพลิงนั้นก็ได้ลุกไหม้ได้ลุกขึ้นพวยพุ่งเผาพระพุทธสิรีละพร้อมด้วยทั้งผ้าคู่ห้าร้อยชั้นกับผีบทองกิตกาทานหมดสิน้นแต่ว่ายังมีสิ่งที่พระเพลิงนั้นไม่ได้เผาให้ย่อยยับไป ด้วยอนุภาพแห่งพุทธะอธิษฐานก็คือหนึ่งผ้าที่ห่อหุ้มพระบรมศพชั้นในหนึ่งผืนชั้นนอกหนึ่งผืนสองพระเขีื่อแก้วทั้งสี่องค์สามพระรากพระรากขวัญลากอภาราขวัญทั้งสององค์สี่พระอุณหิท อีกหนึ่งรวมเป็นพระบรมธาตุเจ็ดองนี้ยังคงอยู่เป็นปกติดีไม่กระจัดกระจจายครั่งเสร็จการถวายพระเพลิงแล้วมลกษัตริย์ทั้งหลายก็จึงได้นำถาทองซึ่งเต็มไปด้วยสุขนทวาลีคือน้ำหอมมาโสรสคงลงที่กิตกาทานแล้วก็เก็บพระบรมอัฐิ สาริลิกธาตุใส่ไว้ในหีบในหีบทองน้อยได้อัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานณนะเบื้องบนแห่งรัตนบัลลังก์ภายใต้สเวกชัินภะโรฬร า, า, าชสันฐานคานเองจะตั้งจาตระลงเเสนาคือทหารทั้งสี่เหล่ารายล้อม พระบรมสารีลิกธาตุด้วยศัพท์สตราวุธทั้งหลายโดยที่ป้องกันพระบรมศาลีิกธาตุนั้นอย่างมั่นคงทั้งภายในและภายนอกพระนครแล้วก็จัดให้มีสมโพธบมูชาด้วยดุริยางดนตรีมีการฟ้อนลำขับร้องทั้งกีฬาและนักสัตนานาประการอย่างมโหฬารตลอดเจ็ดวัน ซึ้นการจัดการสมโพธิบูชาบริยานดนตรีนี้ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่ององทุเนศผู้สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นปริณิพ่านแล้วก็จัดให้มีการสมโพธพุทธรศพนั้นถึงเจ็ดลาตรีด้วยกันแล้วก็เมื่อถวายพระเพลิงพระบุทธรูปเสร็จแล้วก็จัดให้มีการสมโพหน้าที่มากรุภันธนาเจดีนั้นอีกเจดลาตรี และต่อจากนั้นก็จึงได้อัญเชิญพระบรมศพนั้นมาอย่างสันถ า, าร์คานภายในพระนครแห่งมัลลกษัตริย์นั้นแล้วก็สมโพธ์กันอีกตลอดเจ็ดลาตรีเช่นเดียวกันเอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญภาสุขสวัสดี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 ก็ได้กล่าวค้างไว้ในปริเฉศที่27เกี่ยวกับเรื่องการแจ ก, กพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเมื่อถวายพระเพิงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปรากฏว่าสิ่งที่ไม่ถูกไหม้นั้นก็คือผ้าหอ่อพุ่มพระพุทธสรีละชั้นในหนึ่งผืนชั้นนอกหนึ่งผืน พระเกีื่องแก้วทั้งสี่องค์พระรากขวัญทั้งสององค์พระอุณหิตรวมด้วยกันเป็นพระบรมธาตุเจ็ดองค์นี้ยังคงเป็นปกติมิได้แตกกระจกระจายไปแต่ส่วนพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายนอกจากนั้นก็แตกฉานก ร, ากระจายออกไปทั้งสิ้นมีสันฐานต่างกันเป็นสามขนาดก็คือหนึ่งขนาดโตมีประมาณเท่าเมล็ดถั่วแตก ขนาดที่สองนั้นขนาดกลางนั้นมีประมาณเท่ า, มาเมล็ดข้าวสารหะและขนาดเล็กมีประมาณเท่ า, มาเมล็ดพันผักกาแท้จริงนั้นโดยปกติพระบรมสา ร, รีริกธาตุขององค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นที่ทรงมีพระชนอายุยืนยาวจะไม่แตกทําลายคงอยู่เป็นแท่งแต่พระบรมศาสดาทั้งหลาย ทรงดำริว่าตถาคตนั้นมีชนมายุน้อยประกาศาศาสนาอยู่ไม่นานก็จะปรินิพานพระาศาสนาจะไม่แผ่ภัยสารไปในนานไปยังนานาประเทศเหตุดังนี้ก็จึงได้ทรงอธิษฐานว่าเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วพาตถาตถาคตปรินิพานเสร็จถวาย เ, เสร็จการถวายพระเพลิงแล้ว พระธาตุทั้งหลายนั้นจงแตกกระจายออกเป็นสามสันฐานด้วยกันมหาชนจะได้เชิญไปนมัสการทาสการะบูชาในน า, นานาประเทศที่อยู่ของตนของตนจะได้เป็นทางที่ให้เข้าถึงกุศลอันอํานวยผลให้เกิดในสุคติต่อไปดังนั้นเมื่อ มลกษัตริย์ได้กระทําการบูชาพระบรมสารีริกธาตุอยู่นั้นครั้งนั้นเองพระเจ้าอาชาตศัตรูผู้ครองนครราชคลีพระเจ้าิชวีแห่งพระนครไผ่สาลีพระเจ้ามหานามะแห่งกบิลพัฒนนครพระเจ้ า, าถุริยะ ราดแห่งเมืองอัลกับปนครพระเจ้าโกริยราชแห่งเมืองรามคามและก็พระเจ้ามัลละแห่งเมืองปวาวันนครและมหาพรามผู้ครองเวททีประกะาศนครรวมเป็นเจ็ดพระนครด้วยกันล้วนมีความเลื่อมใสและเคารพนับถือในพระพุทธศาสนาครั้นได้ทราบข่าวปริญญิพานของพระบรมศาสดา ก็มีเศร้ามีความเศร้าโศกอะไรอาวรในพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอันมากจึงได้แต่งราชทูตส่งไปขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุณกรุงณเมืองกุศลาคนครเพื่อที่จะได้สร้างประเป็นพระสถูปบรรจุไว้เป็นที่สการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พระนครของพระองค์สื่ไปขันส่งราชทูตไปแล้วก็ยังเกรงไปว่า กษัตริย์แห่งมะลราชแห่งเมืองกุสินารานั้นจะขัดขืนไม่ยอมให้ดังที่ตนเองปรารถนาคือจะไม่ยอมแบ่งพระบรมสารีริกธาตุยก็จึงให้จัดอกองทัพจึงให้จัดทหารโยธาทหารให้เป็นกองทัพนำไปด้วยพร้อมด้วยจตุรงคเษนาครบถ้วนและก็สตราอาวุธเต็มกระบวนสุ เดินทัพติดตามราชาทูตไปด้วยทรงตั้งพระทัยว่าหากกษัตริย์มันละลาชแห่งนครกุสินลาขัดขืนไม่ยอมให้ด้วยไมตรีก็จะยกพลเข้าโหมหัก บ, บีบบังคับเอาพระบร ม, รมาสารีริกธาตุด้วยกำลังทหารเมื่อกษัตริย์ทั้งหลายมีพระเจ้าชาติศัตรูเป็นอาธิต่างยกจากตรงเ้านามาจนถึง ทานเมืองแห่งกุสินาราโดยลําดับขันไดทราบข่าวจากราชทูตว่ามลราชสัตริย์แห่งกุสินารานั้นไม่ยอมให้พระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาก็จึงไม่พอพระฒนยต่างก็ข้ายกทัพเข้าประชิดติด ก, กาแพงพระนครแล้วก็จัดจ้างจัดตั้งพระพลาและตั้งข่ายเลียงลายพระนครกุสินารานั้นรวมในการทั้งหมดเจ็ดทัพด้วยกัน ให้ทหารลอบประกาศเข้าไปในเมืองว่าให้มลรัตริานนั้นเร่งแบ่งปันส่วนพระบรมสารีริกธาตุเสียดลดีโดย ด, ด, ดีแม้นมิให้ก็จงออกมาชิงชัยยุทธนากันฝ่ายมลรัิยศในเมืองกุสินารานั้นเห็นกองทัพยกมาผิดรูปการที่เป็นไมตรีเช่นนั้นก็ตกใจสั่งให้ทหารประจำที่รักษาหน้าที่เชิงเทิน ปราการรอบพระนครให้มั่นคงเมื่อได้ยินทหารร้องประกาศเข้ามาดังนั้นก็จึงให้ทหารบนเชิงเทินล้องตอบไปว่าพราะผู้มีพระภาคเจ้านั้นเสด็จมาปรินิพานในพระนครของเราความจริงเราก็ไม่ได้ทูลอัญเชิญให้เสด็จและเราก็ไม่ได้ส่งข่าวสารไปทูลเชิญเสด็จพระองค์เสด็จมาเอง แล้วก็ส่งพระอนุนพุทธอุปถาให้มาบอกเหล่านั้นให้ไปสู่สุนักของพระองค์แม่เพียงดวงแก้วอันมีค่าเกิดในแว่นแคว้นเมืองของท่าน <c oughs> ท่านก็ไม่เดยใหแก่เราก็แล้วแก้วอันใดเล่าที่จะประเสริฐสมด้วยแก้วคือพุทธรัตนะและก็เมื่อเราได้ซึ่งอุ ด, ดมรัตนเช่นนี้แล้วที่จะให้แก่ท่านทั้งปวงนั้นจะพึงหวังเลย ใช่ว่าข้าพเจ้านั้นจะดื่มน้ำนำมมารดาหรือเป็นบุรุษแต่เฉพา ะ, ะใช่ว่าจะดื่มน้ำนำมบรรดาหรือเป็นบุรุษเฉพาะแต่เฉพาะท่านเท่านั้นเองก็หาไม่แม้เราก็ดื่มน้ำนำมมารดาและก็เป็นบุรุษเหมือนกันการที่จะขยายเกรงโกธท่านนั้นเป็นอันไม่มีกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายต่างกระทำอาหารการแก่กันและกันด้วยขัติยะมานะ คุกคามทักทายกันด้วยถ้อยคํามีประการใกล้ที่จะทํำสงครามป ร, ประหารกันอยู่แล้วในการนั้นเองโทนพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตเป็นทิสาปามโมกเป็นอาจารย์สอนไตรเพฆแก่บรรดากษัตริย์ทั้งหลายในพิจารณาเห็นเหตุนั้นในขณะนั้นแล้วเห็นว่าการที่จะมาประหัตประหารกันเช่นนี้จึงไม่เป็นบังควรจึงด âm ฤทธว่า ควรเราที่จะระ ง, งับเสียซึ่งความวิวาดของพวกกษัตริย์ทั้งปวงและก็ชี้ให้เห็นประโยชน์แห่งความสามัคคีเถิดดังนั้นโทนพรามณ์ก็จึงได้ขึ้นยืนอยู่บนที่สูงปรากฏล่างให้เห็นแก่พวกบรรดากษัตริย์ทั้งหลายพร้อมด้วยกล่าววาจาห้ามว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงสงบใจฟังคาของข้าพ เ, เจ้า ซึ่งเป็นคำที่ท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติโดยส่วนเดียวโกนธัญญาแอดโทนพรามก็จึงได้กล่าวเช่นนี้ท่านโทนพภาม์เห็นพวกกษัตริย์ทั้งหลายตั้งใจสดับฟังคำของตอนแล้วก็จึงได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้จอมแห่งประชาาดทั้งหลายแท้จริงทุกทุกท่านทุกท่านทุกท่านนั้นก็ไม่ใช่ จะสการะเคารพ บ, บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยฐานที่พระองค์เป็นกษัตริย์ที่สูงโดยชาติและโดยโคตรหรือเป็นกษัตริย์ที่สูงโดยพระเกียรติยศหรือโดยศักดิ์และทรัพย์สมบัติแต่ประการใดเลยปรากฏว่าเราท่านทั้งหลายนั้นสการะเคารพ บ, บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นโดยธรรมโดยความเชื่อถือในธรรมที่พระองค์ทรงประทานไว้ทั่วกัน ก็ทำทั้งหลายที่พระผู้มีพระเจ้าทรงประทานไว้นั้นพระองค์ทรงสรรเสริญขันติความอดทนอหิงสาความไม่เบียดเบียนและสามัคคีความพร้อมเพรียงกันอันเป็นธรรมะที่ทรงคุณค่าอันสูงควรที่คนทั้งหลายจะพึงปฏิบัติทั่วกันเมื่อเป็นดังนี้แล้วเหตุใดเล่าท่านจึงมาวิวาทกันข้อนั้นไม่เป็นการสมควรเลย เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสามัคคีปลองดองกันเถิดขอทุกท่านนั้นจงมีส่วนได้พระบรมสารีริกธาตุขององค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจะได้อัญเชิญไปสการะจงทั่วกันขอพระบรมสารีริกธาตุที่เคารพ บ, บูชาอันสูงจงแพร่หลายออกไปยังพระนครต่างๆเพื่อเป็นที่สการะเคารพ บ, บูชาของมหาชนทั้งปวงเถิด เมื่อกษัตริย์ทั้งสวงได้สดับคำของโท น, โท น, โทนพรามที่กล่าวโดยชอบธรรมเช่นนั้นก็จึงได้สติแล้วดำริสอดคล้องตามคำของโทนพรามเรื่องใสในคำนั้นแล้วก็จึงได้พร้อมใจกันตกลงใจกันเช่นนั้น จึงกล่าวแก่กษัตริย์อ่าจึงได้พร้อมใจกันนั้นมอบให้โทนพราหมณี้เป็นผู้ที่จะจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุก็จึงได้กล่าวว่าท่านอาจารย์นั้นกล่าวชอบแล้วขอท่านอาจารย์นั้นจงจัดแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นส่วนๆให้เป็นของควรแก่วข้าพเจ้าทั้งหลายที่จะพึงอัญเชิญไปสักการะตามความปรารถนาเถิด เมื่อโทนพรามณ์นั้นได้สดับคำยินยอมพร้อมเพียงกันแล้วก็จึงให้เปิดประตูเมืองพระนครกุสินลานั้นอันเชิญกษัตริย์ทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาในภายในแล้วก็ได้ให้อันได้ทูลเชิญไปประชุมพร้อมกันยังพระโรงสันถาคารที่ปริสถานพระบรมสารีริกธาตุ แล้วก็จึงให้เปิดพระหีบทองน้อยที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้กษัตริย์ทั้งปวงพร้อมกันอภิวาสสมดังมโนลดในขณะนั้นเองพระบรมสารีริกธาตุนั้นก็ทรงพันพิลาศงามโอภาษด้วยพระสมีซึ่งปรากฏในพระหีบทองเฉพาะพระพักร ได้เตือนพระไทยของพวกกษัตริย์ทั้งปวงนั้นให้ระลึกถึงพระมหากรนาที่คุณของพระผู้มีพระภาคกษัตริย์ทั้งปวงนั้นก็จึงได้ทรงกันแสงปริเทวานากันต่างๆครั้งนั้นเองโถนพราหินกษัตริย์ทั้งหลายมัวโศกสันลันทศกันอยู่เช่นนั้นก็จึงได้หยิบพระทักษิณธาตุธาตุธาตุก็คือพระเกี้ยวเี้ยวแก้วเบื้องขวา เกี้ยวแก้วเกี้ยวแก้วเบื้องขวานั้นอันเป็นของเบื้องบนขึ้นซ่อนไว้ทิ้มวยผมแล้วก็จัดแจงตวงพระบรมสารีริกธาตุด้วยธนานทองนั้นถาวายแก่กษัตริย์ทั้งแปดพระนครปรากฏว่าได้พระพนครละสองธนานเท่าเทกันรวมพระบรมสารีริกธาติที่ตวงได้นั้น ประมาณได้กัน16ทนานะมีประมาณดกันทั้ง16ทนานแบ่งออกเป็นพระนครและ2ทนานดดวยกันขณะที่ทีท่ทนพรามกำลังตวงพระบรมาธาตุนั้นถวายกษัตริย์ทั้งหลายอยู่นั้นเท้าสกะเทวราชคือพระอินทราบโดยทิพะจักษสุว่า โทนพราหมณ์นั้นได้ลักลอบหยิบเอาพระเขี้ยวแก้วเบื้องขว า, เ, าเบื้องขวาที่อยู่เบื้องบนนั้นซ่อนไว้ในมวยผมก็จึงดำริว่ากำลังของโทนพราหมณ์นั้นไม่สามารถที่จะทำสการะบูชาเชิดชูพระบรมธาตุนั้นให้สมแก่พระเกียรติอันสูงได้พระเขี้ยวแก้วเบื้องขวานี้ควรจะนำไปประดิษฐานไว้อย่างเทวโลก เพื่อให้เทวดาและพรหมทั้งหลายได้ส ก, การะบูชากันเมื่อพระองค์ทรงดำริเช่นนี้แล้วก็จึงได้แฝงพระกายลงมาแล้วก็หยิบเอาพระเคี่ยวแก้วเบื้องขวานั้นเชิญลงสู่พระโกศทองน้อยยกขึ้นทูลพระเสียรกล้าวอันเชิญไปบรรจุไว้ที่จุรามณีเจดีนะสุราลัยเทวฐานก็คือที่พิพพดาวดึงนั่นเอง วายโทนพลานนั้นขั้นแบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุถาวายแก่กษัตริย์ทั้งปวงเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นค้นหาพระเขี่ยวแก้วเบื้องขวาที่มวยผมปรากฏว่าหาไม่พบก็เสียใจไปอันมากขั้นจะตายถามหาตัวคนที่เอาไปว่าผู้ใดมาลักลอบเอาพระเขี้ยวแก้วบนมวยผมไปก็ไม่กล้าออกปาก ด้วยละอายใจเกรงว่ากษัตริย์ทั้งหลายจะยกโทษที่จะทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศของตนเองนในเรื่องที่ตนเองนั้นเป็นผู้ขโมยโดยที่ไม่ได้รับพระราชอนุญาตก็เลยจึงสงบใจไว้และไม่แสดงอาการอันใดออกมาแต่แล้วก็คิดต่อไปว่าท้านานทองใบนี้ก็มีส่วนนับเนื่องในพระบรมศาลีลิกธาตุ ราะเหตุที่ว่าเป็นของที่ตวงพระบรมสารีริกธาตุแจกพระบรมัพระบรมกริย์ทั้งหลายเห็นว่าเป็นของวิเศษควรที่จะเป็นที่สการะบูชาได้ควรที่อาตมานั้นจะไปสร้างพระเจดีย์บรรจุไว้เป็นที่สการะบูชา ครั้นตกลงใจเช่นนั้นแล้วก็จึงได้กล่าวแ ก, ก่กษัตริย์ทั้งปวงว่าข้าแต่พระมหาบอบพิษทั้งหลายข้าพเจ้านั้นขอพระราชทานทนานทองตวงพระบรมาธาตุใบนี้เพื่อที่จะได้อัญเชิญไปสร้างพระสุทกบรรจุไว้เป็นที่สการะบูชากษัตริย์ทั้งหลายนั้นก็พร้อมใจกันยินยอมพระราชทานแก่ทนนพรามเพื่อที่จะให้ไปสร้าง พระสถูปบูชาตามความปรารถนาในภายหลังนั้นกษัตริย์ในเมื่ อ, อในอกษัตริย์แห่งโมริยนครได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วก็จึงได้ส่งราชทูตให้มาทูลขอพระบรมสารีริกธาตุณนะเมืองกุสินานานครทางยกขระผลเป็นกองทัพ ตามมาภายหลังด้วยกษัตริย์กุสินาราก็จึงได้แจ้งว่าพระบรมสารีริกธาตุนั้นกษัตริย์ทั้งแปดพระนครได้ประชุมแบ่งปันกันจนหมดสิ้นแล้วยังอยู่แต่พระอังคารเท่านั้นพระอังคารนี้หมายถึงว่าเท่าในการที่เผาพระบรมสารีรั้น์ก็ยังมีเท่าอยู่ดังนั้นก็ขอให้เชิญพระอังคารไปทําการสการะบูชาเถิด อย่างนั้นราชจทูตแห่งโมริยะนครก็จึงได้อัเชิญพระอังคารนั้นกลับไปทำสการะบูชาอย่างพระนครของตนเองในสมัยนั้นบรรดากษัตริย์ทั้งหลายเมื่อได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วต่างองค์ก็ต่างจัดกระบวนอันมโหลาน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปยังพนครของตนด้วยเกียรติยศอันสูงแล้วก็ให้ก่อเป็นสถูปพระเจดีย์ขึ้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นที่สการะของมหาชนทั่วไปในบรรดากษัตริย์ทั้งหลายนั้นตามตำนานได้กล่าวว่าพระเจ้าชูอาพระเจ้าชาติศัตรู พระเจ้าชาติศัตรูนั้นเป็นบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาที่แน่นแคว้นกว่กไถ่ทั้งหมดในบรรดาปุถุชนทั้งหลายดังนั้นพระเจ้าชาติศัตรูนั้นได้กระทาการฉลองหรือต้อนรับพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นั้นอย่างมโหลานที่สุด ซึ่งตามตำนานกล่าวว่าเมื่อขนาดที่พระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นได้ทราบข่าวบรินิพานของพระองค์แล้วทรงสลบคือทรงวิสัญญีภาพลงไปถึงสามครั้งอำมาตย์ทั้งหลายตอนที่ได้ทราบข่ า, ขาวการบรินิพานขององค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่กล้าที่จะกราบทูลพระเจ้าอาชาติศุนให้ทราบให้ทราบโดยทันทีเพราะเจ้าตราบทูลแล้ว พระเจ้าชาตรูนั้นจะต้องถึงแก่ที่วงคตทันทีเพราะความที่เสียพระไทยดังนั้นอำมาตทั้งหลายนั้นก็จึงได้จัดเอาเป็นแบบที่ว่าถังน้ำอันบรรจุไปด้วยน้ำหอมแล้วได้กราบทูลพระเจ้าชาตรูว่าเมื่อคืนนี้ทรงฝันร้าย เพื่อที่จะมาแก้ฝันแก่พระเจ้าชาตตรูแล้วก็ทรงให้พระเจ้าชาตตรูนั้นทรงแสเอ๋อลงไปในถังน้ํานั้นเพื่อที่จะสงสนานและจึงได้กราบทูลต่อพระเจ้าชาตตรูว่าบัดนี้องค์ทุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงปรินิพานแล้วพอพระเจ้าชาตตรูได้สดับท่านเองก็ปรากฏว่าทรงวิสัญญีภาพสลบลงไป อำนาทั้งหลายก็จึงได้ยกพระวรกายของพระองค์นั้นไปอย่างถังน้ําอีกแห่อีกอีกถักกกงหนึ่งโดยทํานอง น, นี้แหละเมื่อพระเจ้าชาตรูทรงฟื้นจากวิสัญญีภาพขึ้นมานั้นก็จึงได้กราบทูนอีกก็ปรากฏพระเจ้าชาตรูนี้ก็ได้วิสัญญีภาพอีกโดยทํานอง น, นี้ถึงสามครั้งเมื่อพระเจ้าชาตรูทรงอฟื้นจากวิสัญญีภาพในครั้งที่สี่ในครั้งที่สี่แล้วก็จึง ให้พวกบรรดาทหารพร้อมด้วยราชะทูตไปขอพระบรมสารีริกธาตุเมื่อได้พระบรมสารีริกธาตุแล้วปรากฏว่าพระองค์นั้นให้แหหรือว่าต้อนรับพระบรมสารีริกธาตุนี้ยังใหญ่หลวงมากจากเมืองกุสินละจนถึงกรุงราชคลึกนี้ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบห้าโยชนั้น ให้เวลาถึงเจ็ดปียังไม่ถึงกรุงราชคฤึ้จนกระทั่งร้อนถึงประชาชนทั้งหลายอ่าจนกระทั่งถึงประชาชนทั้งหลายนั้นได้กล่าวเป็นทํานองกล่าวโทษต่อพระเจ้าช า, ชา ต, ตรูว่าการกระทําของพระเจ้าชาติตรูครั้งนี้ทําให้พวกตนนั้นถึงอ่ถึงความหา l i a s เพราะไม่สามารถที่จะ <c oughs> ทํามาหากินได้ ต้องคอยรับสเสด็จพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงร้อนถึงทาสกะเทวราชกับพระเทระทั้งหลายต้องช่วยทำเหตุการ์จนกระทั่งให้พระเจ้าชาตตรูนีทรงเล่งขบวนนี้ให้ถึงกรุงราชคลือเมื่อถึงกรุงราชคลือแล้วก็ได้สร้างเป็นพระสถุกขึ้นแล้วบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุนี้เป็นที่สาการะเคารพแก่ประชาชนทั้งหลายที่กลางใจเมืองของกงะะรุงราชกากดังนั้นพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุไว้ในภาุรรในพระสถูปเจดีย์นั้นจึงมีอยู่ด้ยกันทั้งหมดดังนี้คือเฉพาะที่บรรจุ พระอาสาลีลิกธาตที่บรรจุไว้ในพระเจดีย์นั้นมีอยู่ด้วยกันอในอันดับแรกนะั้นสิบพระเจดีย์เดยกันคือหนึ่งพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสาลีลิกธาตที่เมืองราชคลึสองที่เมืองภัยสาลีสามที่เมืองกบิลพัสสี่ที่เมืองอัลละกับปนันคร 5. ที่เมืองรามนครหรือรามคำหที่เมืองเวททีประกนครเจที่เมืองปาวานนคร 8. ดที่เมืองกุสินารานคร 9. พระเจดีย์ที่บรรจุพระอังคารที่เมืองโมริยนครแล้วก็สิบ พระเจดีย์ที่บรรจุพัฒนานทองที่เรียกว่าตุมพระเจดีย์นั้นที่โทนพรามณ์ได้เอาไปสร้างไว้ที่บ้านของตัวเองก็อยู่ที่เมืองกุสิณารานครจึงรวมเป็นว่ามีเจดีย์อยู่ด้วยกันสิบแห่งและยังส่วนต่างๆที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุและก็ที่เป็นส่วนบริขารพุทธบริโภคบางก็ปรากฏว่าได้รับอัญเชิญไปสร้าง เป็นพระสถูปเจดีย์บรรจุไว้ในเมืองต่างๆดังนี้คือหนึ่งพระเขี้ยวแก้วเบื้องบนขวากับพระรา ข, ขวัญเบื้องขวาขึ้นไปสดิสถานอยู่ในพระจุลามณีเจดีย์สถานณดาวดึงเทวโลกสองพระเขี้ยวแก้วเบื้องต่ำเบื้องล่างขวา เดิมประดิษฐานอยู่ณเมืองกลิงครลาชแต่บัดนี้ไปสถิตยอยู่ที่ลังกาทวีปสาพระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้ายประดิษฐานอยู่ณเมืองคันธาราชสี่พระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายประดิษฐานอยู่ณ น, ะนาคพิภพคือเมืองพญานาะห้า พระรากขวัญเบื้องซ้ายกับพระอุณหิตประดิษฐานอยู่ในทุสเจดีนพรมโลกส่วนพระทันตธาตุคือฟันพระทนที่เหลืออีกสามสิบหกซี่นะสามสิบหกพระองค์และก็พระเกษาพระโลมากับพระนขาเล็บทั้งยี่สิบนั้นเทพ ย, ยดาก็ได้อัญเชิญไปองค์ละองค์ สู่จักรวาลต่างๆอันหนึ่งพระบริคารพุทธบริโภคทั้งหลายที่ได้รับอัญเชิญไปบรรจุในสถูปตามนครต่างๆมีดังนี้หนึ่งพระกายพันก็ได้แก่ประคตเอวอยู่ที่เมืองปาตลีบุตรหรือปัจจุบันนี้ก็ได้แก่เมืองปัตนะ พระอุทกสาดกก็แปลว่าผ้าส่งน้ำผ้าอับน้ำฝนอยู่ที่เมืองปัญจาละนครหรือว่าแคว้นปัญจาละสามพระจำมะขันสถิตยอยู่ที่เมืองโกศลราชสี่ไม้สีฟันอยู่ที่เมืองมิถิลานครห้า พระธรรมกลกก็คือกระบอกกลองน้ำอยู่ที่เมืองวิเทหราชหกมีดและกล่องเข็มอยู่ที่เมืองอินทปัตนครแปดเจ็ดฉลองพระบาทและถลกบาทอยู่ที่เมืองอุสิลพรมามคาม 8เครื่องราชสถิตยอยู่ที่เมืองมะกุฎนครมะกุฏนครเก้าไตรจีวร อ, อยู่ที่เมืองพัทราชสิบบาทเดิมอยู่ที่เมืองปาตลีบุตรแต่ภายหลังไปอยู่เมืองลังกาทวีปจนถึงปัจจุบันนี้ส1บเอ ผ้านิสีธนะสันถั์ก็คือผ้ารองนั่งหรือที่ประทับนั่งสถิตยอยู่เมืองกุรุลาดดังนั้นท่านพระสังขีติกาจานก็จึงได้ประมวลพระสถุขเจดีย์ทั้งหลายที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระบริโภคบริหารพุทธบริโภคไว้ด้วยประการทั้งที่กล่าวมานี้ เอาละท่านสาธุชนและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนขอความจเจริญพรสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอจเจริญพร